ขันทั้งห้าเป็นตัวทุก <c oughs> ว่าโดยย่ อ, อประทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกคือการเข้าไปยึดมั่นในขั น, นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณที่เราสวนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะรูปมันทั้งไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนด้วย <c oughs> นะอันนั้นคือแกนแท้ของมันเราจะไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ เราไปยึ์สิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีสาระไม่มีแกนสารไม่ใช่ตัวตนบาขบัญชาไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นีตัวนั้นเป็นตัวสาระของมันทีนี้ในอดีตเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ไม่มีใครสอนไม่ได้สดับตรับฟังเราก็ไปถือว่ารูปมันเที่ยงสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเที่ยงรูปนี้เป็นตัวตนเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวตนมันก็เลยทุกข์ไง ดังนั้นเราสดวดอย่างตรนี้ทุกวันแต่เราก็ยังปลดเปลื้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นความจริงเราอาจจะรู้ความจริงอยู่แต่ยังไม่เห็นความจริงเรารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตารู้แต่ว่าเรายังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเราก็เห็นว่ามันเที่ยงอยู่เนี่ยรูปก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุวี่ทุกวันไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไร แล้วก็ยัเห็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่รูปในที่นั้นรูปมีสองรูปหนึ่งมหาปูตาลูปสองนามนามวารูปแต่ในส่วนมหาภูตารูปเลยแก่รูปคือถ้าสีดินน้าลงไฟเนี่ยความจริงดินน้ํำลงไฟมันก็ไม่เที่ยงให้เห็นอยู่แต่เราก็ยังไม่ค่อยได้พิจารณาแต่ในส่วนนามารูปเนี่เราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงตลอดตั้งแต่เช้ามาถึง วินาทีเนี่ยเราเคยสังเกตใจเราไหมว่าเราคิดอยู่เรื่องเดิมไหมสมมุติว่าตื่นเช้าขึ้นมาคิดถึงเรื่องลูกจนถึงวินาทีเนี่ยเรื่องลูกของเรื่องลูกนั้นยังอยู่ในใจของเราอยู่หรือเปล่าตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดถึงเรื่องงานจนมาถึงวินาทีนี้เรื่องงานยังอยู่ในใจของเราไหมมันไม่อยู่แล้วมันเปลี่ยนไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยนี่มันไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่เนี่ยตัวนามาลูกไม่เที่ยงแต่เราก็ยัง คิดว่ามันเที่ยงอยู่ดีนะเพรเรายังไม่เห็นมันเกิดมันดับตลอดเวลาอืมแล้วก็ควบคุมมันให้อยู่ที่เดิมได้ไหมให้มันคิดแต่เรื่องเดิมคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องเดียวนะตอนเช้าเนี่ยคิดแต่เรื่องมาพูดว่าทําพระสงฆ์ตื่นมาให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่ฟังเรามันคิดไปตั้งหลายเรื่องแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้คิดอยู่เรื่องเดียวเราบังคับมันไม่ได้นั่นนะความเป็นหน้าตาตรงให้ ตรงที่เราบังคับบัญชาให้มันอยู่ที่ที่เราต้องการไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาให้เห็นแต่เรายังไม่เห็นนมันก็เลยยังปรงไม่ว่างไม่ลงปลงไม่ได้อยู่อ่าดังนั้นเองเมื่อเรายังไม่เห็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเราก็มาสร้างตัวที่สามตัวที่หนึ่งคือทุกช่ไหมตัวที่สองเหตุมันก็มีให้เห็นละนการเข้าไปยึดที่มาเป็นทุก ทีนี้ตัวที่สามท่านบอกว่าไม่ต้องการให้มันทุกข์ใช่ไหมก็ต้องทํานิโรธให้ปรากฏในการที่นิโรธมันจะปรากฏได้ก็ต้องทําตัวที่สองให้ถูกก่อนก็คือจึงละที่เหตุมันก่อนละที่เหตุละความอะไรละอุปท า, านละความอุปท า, านในขันคือละความยึดมั่นถือมั่นในทั้ทงที่ตัวรูปขันรูปาธาต แนะล้ปรูปขันก็คือรูปของความคิดรูปของความนึกคิดเนี่ยเราละนะไม่ไม่สำคัญมันหมายว่ามันเป็นตัวตนเราก็เข้าไปดูไปรูป้ไปเห็นมันเฉยเฉยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นหน้าตาของมันแล้วก็ไม่ต้องไปทำตามมันว่างั้นเถอะไม่ต้องไปตามมันนะ าการไปตามมันคือหมายถึงว่าเราเข้าไปหมกมุ่นคลุ้นคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆกลับเอาเรื่องนั้นมาคิดบ่อยๆเราไม่ยอมให้มันผ่านเรียกว่าเข้าไปไหนมันนะในเรื่องไหนที่ขัดข้องหรื อ, อยึดติดเราก็เอาเรื่องนั้นมาคิดบ่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าเราไปเห็นมันเที่ยง ล, ลเห็นมาเป็นอัตตาแล้วถึงเอามาใช้บ่อยๆแต่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาผ่านแล้วก็ผ่านเลยมาทําจิตให้รับรู้ ในสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเท่านั้นอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารับรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความนึกหรอกมันผ่านมาก็าให้มันผ่านไปอย่าไปจับมันมายึดเอาไว้นะถ้าจับมายึดเอาไว้ตรงนี้แล้วเราผ่านมามันไม่ผ่านไปตัวนั้นแหละมันเป็นปัญหากับเราเราไม่เห็นความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของมันนะดังนั้นเองในวิธีการปฏิบัติของพระเทียนท่านจึงให้เริ่ม เรียนรู้จากกายนี่ไปนะเพื่ออะไรเพื่อปรับอินทรีย์ปรับอินทรีย์ให้มันเข้มแข็งแต่หลักจริงๆแล้วท่านต้องการให้ไปดูใจนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าสตินินทรีสมาธินรีปัญญินรีย์ของเราอินรีคือสติสมัมถิปัญญาเราไม่เข้มแข็งไม่คมพอที่จะไปดูตรงนั้นให้ทันทีหรือดับทันทีได้นะเรารู้อยู่แต่มันก็ยังไม่ดับพออเพราะอะไรเพราะ ปัญญาของเราไม่คมกล้าพอที่จะเข้าไปตัดให้ขาดทันทีดัง น, นั้นท่านก็เลยให้มาฝึกฝนอยู่ในส่วนที่เป็นรูปนามนี้ก่อนนะให้มาฝึกฝนการกำหนดรูปบ่บอยๆการเห็นบ่อยๆอการระลึกรู้บ่อยๆจนกระทั่งอินทรีย์ของเราคมกล้ามากขึ้นมากขึ้นต่อไปเมื่อมีตัวคิดตัวนึกตัวปรุงแต่งเกิดขึ้นที่จิต เราไปกําหนดรูปปั๊บมันขาดปุ๊บทันทีเลยนั่นแสดงว่าปัญญาเราขมกล้าแล้วเราก็เข้าไปดูจุดนั้นจุดเดียวได้ต่อไปนะแต่เราบางเรื่องเรื่องง่ายๆเนี่ยเราตัดขาดได้ง่ายๆกําหนดรูปปั๊บมันก็ขาดไปต่อหน้าต่อตาแต่บางเรื่องกําหนดแล้วกําหนดอีกมันก็ไม่ขาดนะอย่างเรื่องโรคไัยไข้เจ็บเรื่องอพันธ้ผูกพันลูกผูกตัวผัวเมียหนี้สินเนี่ยมันคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยกำหนดเท่าไหร่มันไม่ขาด แสดงว่าเรื่องนี้มันเหนียวแน่นมันใหญ่มันแข็งปัญญาของเราก็ยังไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาที่แหลมคมกว่านี้อีกสมมุติว่าเราทําครัวเนี่ยเราอาจใช้มีดเล็กๆหั่นผักหั่นหอมหั่นผักกาดนี่ขาดพันทีแต่พอจะเอามีดเล่มเดียวกันนี่ไปหั่นฟืนบ้างเนยมันไม่ขาดแล้วจะเอามีดเล่มเดียวกันนี่ไปหั่นต้นไม้มาทําฟืนเนี่ยมันไม่ยอมขาดแล้วก็ต้องเปลี่ยนมีดเล่มใหม่แล้วที่ คมกว่าเกา่าที่หนักกว่าเกา่าเนี่ยเหมือนกันตัวปัญญาอันเดียวกันเนี่ยเราจะไปใช้กับสังขารการปรุงแต่งทุกชนิดไี่ไม่ได้สังขารการปรุงแต่งบางชนิดมันมันเบามันง่ายที่จะขาดเรากำหนดรูปบ้างมันก็ขาดแล้วเหมือนกับมีดเล็กๆไปหั่นผักนี่นก็ขาด สังขารบางตัวมันเหนียวแน่นมันหนักหน่วงเช่นเราปรุงแต่งเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องนี่เรื่องศินเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยพอเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาในใจปั๊บเนี่ยเอาสติอันเดิมไปกำหนดไม่ยอมขานแล้วกำหนดเท่าไหร่ก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมกำหนดเท่าไหร่มันก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสติเปลี่ยนความคิดที่มันแรงกว่านั้นที่มันคมกว่านั้นอีกนั่นก็หมายความว่าเราต้องมาเพิ่ม เพิ่มกำลังก็ด้วยการทําความเพียรนี่เองความเพียรทําบ่อยๆในการทําความเพียรบ่อยๆนี่เพื่ออะไรเพื่อเตรียมอาวุธเตรียมอุปกรณ์เตรียมมีดนั้นให้เหมาะสมกับความคิดนั้นๆเพราะฉะนั้นมีดในครัวเราเราคิมีหลายเล่มไงมีหลายเล่มห้าเล่มสิบเล่มพราะอะไรให้มันเหมาะสมกับงานเหมือนกันญญสติปัญญาที่เราจะเตรียมเพื่อจัดการความคิดเนี่ยมันจึงมีหลายแบบนะบางอย่างความคิดบางอย่างเราใช้สติระดับสติ ธรรมดาก็ตัดขาดได้ความคิดบางอย่างเราใช้สติปัฏฐานถึงจะตัดขาดความคิดบางอย่างเราใช้สติที่เป็นสัมปันชัญญะถึงจะตัดขาดความคิดบางอย่างเราใช้สติที่เป็นญาณปัญญาถึงจะตัดขาดความคิดบางอย่างเราใช้สติที่เป็นญาณทัศนะถึงจะตัดขาดความคิดบางอย่างเราใช้สติที่เป็นญาณทัศนวิมุติถึงจะตัดขาดเราจะเห็นว่าสติมีหลายระดับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนมีดมีหลายเล่ม แต่ที่นี้เราเจริญสตินี่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้สติที่เรากําลังเจริญอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะระดับญาณระดับปัญญาระดับญาณทัศนะหรือระดับตัวมหาสติตัวมหาปัญญาเราพัฒนามันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็มันมันเราไม่เห็นชนิดของสติมันก็จะอยู่ที่เดิมแหละนะโดยเฉพาะในเรื่องของสําคัญมั่นหมายในอัตตาตัวตนของเราเนี่ย มันเข้มข้นรุนแรงมากเช่นใครมาด่ามาว่ามาเสียดมาสีวิภาวิจารดูถูกประมาทเราเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องนั้นกลับไปกลับมาว่าทำไมทำไมทำไมทำไมคิดไม่ขาดนั่นแสดงว่าไอ้ตัวสังขารหรือตัวอัตตาตัวนี้มันมันใหญ่โตมากเราจะใช้สติระดับธรรมดาไปกำหนดไม่ขาด เพราะว่ามันเหนียวแน่นเพราะว่าไอ้ตัวอัตราตอนนี้มันกาะเป็นรูปเป็นร่างมานานเหลือเกินเราจะมาใช้สติธรรมดาเนี่ยตัดไม่ขาดมันอาจจะกลายเป็นหินไปด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่มีมาตัดหินก็ยิ่งยากไปอีกมันจะต้องมีเครื่องตัดหินอีกต่างหากใช่ไหมหินไม่ใช่ว่ามันตัดไม่ได้ตัดได้เหมือนกันแต่จต้องมีเครื่องของมันต่างหาก เพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงทําอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเพื่อพัฒนาชนิดของสติเนี่ยให้แหลมคมคมกล้าหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการปฏิบัติถึงแม้ว่ามันจะทําอยู่ในอาการอันเดิมสร้างจังหวะเหมือนเดิมเดินจงกรมเหมือนเดิมกำหนดรู้การเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแต่ว่าความคมกล้าของสติเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกับเรารับมีดนะ หินก็อันเดิมมีดก็อันเดิมแต่ว่าเรารับได้ทุกวันรับได้แต่ละวันก็คมไม่เหมือนกันบางวันก็คมมากบางวันคมน้อยบางวันมีดมันบินก็ต้องใช้เวลานานอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีมีดเราใช้นานแล้วมันไม่ค่อยได้รับก็ต้องรับกันนานนี่ยเหมือนกันกายก็อันเก่านั่นแหละอันเดิมใจก็อันเดิมสติก็อันเดิมนีแต่ว่าเราต้องรับทุกวันและต้องทําทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะจัดการ กับปัญหาและสิ่งจําเป็นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าพรนักชิมประจําวันความคิดความปรุงแต่งกิเลสท่านฮาวประธานเนี่ยมันมามันไม่ได้บอกเรามันจะมาเวลาไหนมาตอนไหนมามากมาน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้บอกเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมมีดเล่มเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะว่ามันมาต่างชนิดกันบางครั้งมันมาใหญ่บางครั้งมันมาเล็กบางครั้งมันมาเปราะบางบางครั้งมันมาเหนียวแน่น บางครั้งมันมาแข็งมาครั้งมมาอ่อนเราเราไม่สามารถที่จะไปรู้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะมาแบบไหนแต่นั้นเราแม้มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์หรืออาวุธที่ที่ทันที่สมสมกําลังกันสมน้ําสมเนื้อกันนั่นแหละมันถึงจะทันการนะดังนั้นถึกว่าการเจริญสติจึงเป็นศิลปะเป็นทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ในตัวนะ อันเป็นศาสตร์ก็คือเข้าไปจัดการกับปัญหาได้อย่างจริงจังเป็นศิลป์ก็คือว่ามันมีวิธีฝึกที่ไม่ไมจํากัดรูปแบบมันมีหลากหลายเราจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราว่านอกจากเดินจูงปมสร้างจังหวะแล้วเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะการลุกการนัง่งการย่างการเดินหยิบยับจับเวยเคลื่อนไหว ย, ย้ยายยักย้ายซ้ายขวาอะไรต่างๆจะเดียนสติได้หมดแต่ประการสําคัญเราจะ ฝักไฟมีฉันทะเข้มแข็งมีวิริยะเข้มแข็งไหมที่จะทําต่อหนึ่งแล้วก็ตั้งมั่นขนาดนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพราะเราได้ตกเป็นธาตของความคิดของความปรุงแต่งมานานหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันแล้วนี่เราจะทําอย่างไรให้จิตของเราที่มันเคยฝักไฟในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสอารมณ์ที่พึงพอใจเนี่ย ให้มันมาฝักฝ่ในการที่จะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันแบบเดียวกันเหมือนเราได้กินอาหารอร่อยเหมือนได้ดูหนังดูละครที่ถูกใจมันได้อาหารที่ถูกใจเนี่ยทีไงให้เราให้จิตของเรามาฝักฝ่ในการเจริญสติแบบนั้นบ้างเหมือนได้กินอาหารอร่อยมันได้ดูภาพที่ถูกใจมันได้อารมณ์ที่ถูกใจถ้าเรามีความฉันทาความพอใจในการเจริญสติแบบนั้นนะมันจะไปได้ไวมาก นะการเจริญสติไปได้ไวมากแต่ว่าปรากฏการจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเรายังกล้ากลั ว, ลวยังอีหลังอีเหลือยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มใจหรือใจยังไม่เต็มร้อยเปอร์ซนต์อยูู่ะสู้ถอยถอยอยู่น ะ, ะนะบางครั้งก็มีฉันทะอยากจะทำแล้วก็ทําเต็มที่เมื่อไรมันอยากมันเบื่อขึ้นมาแล้วก็ลาก็ถอยเนะี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังไม่คงที่งไงความ เพราะความเข้าใจของเรายัางไม่คงที่ตรงนั้นนั้นเองในข้อมูลต่างๆที่ให้มาแต่ละวันเนี่ยก็เน้นมาจุดนี้จุดเดียวจุดว่าจะทำยังไงให้พึงพอใจในการกําหนดรู้แล้วก็ทําให้มันแยบคายในสิ่งที่เรากําหนดรู้ลงไปให้แยบคลายอย่างไรแยบคายในอาการอาการของกาย มีความแยบขายถึง6ระดับใช่ไหมที่พูดในฟังวันก่อนแยกข่ายในเรื่องการกําหนดรูดูลมหายใจแยกข่ายในเรื่องกำหนดรูดูอีเรบดสี่แยบค่ายในการกําหนดรูดูอีเรบทย่อยแยกข่ายกําหนดรู้ในเรื่องธาตุสดินน้ําลมไฟแยกข่ายกำหนดรูดในเรื่องอาการอัามสอาการของกายทั้งหมดแยบค่ายในการกําหนดรูดในส่วนที่เป็นอสุภะความเสื่อมของร่างกายทั้ง6ระดับเนี่ยเรื่องกายแยบขาย ในส่วนเวทนาแยีกข่ายในส่วนที่มันเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและในส่วนอนทุกขมสุขเวทนาทุสุขเวทนาคือทุกที่ทนได้ง่ายนะคือพอทนได้สบายๆเรียกว่าเราก็ต้องรู้ให้ชัดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าพอมันเพลินมันไม่มีอะไรมานรบกวนแล้วก็เพลินหลงคิดไปนี่เขาเรียกไม่แยบขายในสุขเวทนาแต่ในเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเวลานั่งนานมันเจ็บมันปวดมันเมื่อย มันเงามันไม่สบายขึ้นมาเราก็าไปไปเป็นมันซะแทนที่เราจะพิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงไปทุกไปนนัตตาเราก็าไปเป็นทุกข์อนั้นเสียนี่ก็เรียกว่าไม่แยบคายสติมันก็ไม่เกิดนะในส่วนจิตแยบคลายในเรื่องจิตคือเล่บแยียบคลายในเรื่องของสิ่งที่ปรากฏในจิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องบุญหรือเรื่องบาเรื่องกุศลหรืออกุศล เราเห็นมันชัดไหมแต่ละครั้งที่มันเกิดมาในใจของเราเรื่องที่เกิดในใจนี่มันเป็นราคะโทสะโมหะเรื่องสบายไม่สบายเรื่องเบาเรื่องหนักเรื่องฟุ้งซ่านเรื่องหดหูเรื่องของการมีอารมณ์ที่ดีอย่างไรเนี่ยเราเข้าไปเห็นมันชัดไหมแต่ละขนาเนี่ยแล้วเรากแยกคลายในเรื่องจิตทีนี้เราไปแยบคลายในเรื่องอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ปรากฏกับใจเรียกว่าธรรมอารมณ์ จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้คิดตลอดเวลานะมันมันแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งของอารมณ์หมายถึงว่าในสิ่งที่มากระทบที่เป็นกายเวทนาจิตเนี่ยมันปรากฏออกมาเป็นอารมณ์อารมณ์อันนี้เองมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ถ้าหากว่าเราไม่แยบขายเราก็ไม่อยากจะให้จิตรับรู้อารมณ์อยากให้จิตนิ่งๆจิตเฉยๆจิตไม่ต้องรับรู้อะไรอันนี้เรียกว่าไม่แยบขายแล้วเพราะจิตมันต้องเป็นที่ผ่านของอารมณ์อารมณ์มันมันเหมือนกับเรานั่งอยู่หน้าบ้านมันมีถนนผ่านเนี่ยมันก็มีรถผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่อยากให้รถเนี่ยมาถนนมารถมาผ่านถนนหน้าบ้านเรานะเรารู้สึก ว่าไม่สงบอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันผ่านแต่มันเป็นไม่ได้มันเป็นทางผ่านจิตของเรามันเป็นทางผ่านของอารมณ์แต่อารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปอารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นมันไหมเราแยกใครไหมเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ที่เป็นสังขารอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลเราเห็นมันชัดไหม ไอการเฝ้าดูการพิจารณาการเห็นอารมณ์เหล่านี้ชัดเจนนี่เรียกว่ามีความแยบคายแยบคายในสติปัฏฐานสทั้งที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นความแยบคายจึงเป็นหลักสำคัญในการเจริญสตินะเรานั่งปฏิบัติไปมันก็มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาในอาการนั่งของเรามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีห่วงมีเหงามีคิดตลอดนะ แต่เราจะเห็นอาการเหล่านี้ได้ชัดเจนไหมการที่เข้าไปเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนนี้เรียกว่ามีความแยบคายนั่นต่างหากที่เป็นกุญแจของการเจริญสตินะแต่ถ้าหากว่าเราสักแต่ว่านั่งนั่งไปอยากไปก็ไปอยากลุกไปลุกอยากคิดก็คิดอยากอ่าพูดก็พูดไปโดยที่ไม่ได้เข้าไปเห็นข้อมูลสิ่งเหล่านี้ชัดเจนตรงนี้มันเลยช้านะเลยช้าดังนั้น จิตของเราที่มันเคยส่งออกเราต้องกลับเข้ามาดูข้างในตลอดดูตั้งแต่หัวจบดเท้าดูแล้วทำไงดูแล้วก็พิจารณาเฝ้าดูให้ชัดเขาเรียกเลือกเฟ้นนะเฟ้นธรรมธรรมวิจยะจะเลือกเฟ้นดูว่าอันไหนมันจะนำไปสู่ความไม่ทุกเราก็ทำนะแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ปรากฏในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็นาไปสู่ความไม่สบาย นำไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราจะดูให้ดีนะเราเห็นร่างกายนี่มันเป็นที่ตั้งของความเสื่อมความทุกข์บ่อยๆเข้าบ่อยเข้าไอ้ความรู้สึกสําคัญมันหมายว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเขาเป็นเราเนี่ยมันจะน้อยลงไปเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นทางที่ถูกนะมันจะเห็นในสิ่งที่ว่าเราเป็นเราเนี่ยบางเบาลงไปเรื่อยๆ แต่เราจะเห็นอาการนนหนึ่งเห็นความเป็นทุกข์ปรกากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็คอยบำบัดมันเรื่อยๆอลักษณะที่การบำบัดทุกขนี่มันเข้าสู่หลักของอริยสัจลนะนะหลักอริยสัจดังนั้นเบื้องต้นที่สุดท่านจึงให้เกิดตัวสัมมาทิฏฐิให้เห็นถูกต้องอย่างนี้ก่อนทั้งทั้งหมดที่กล่าวนะเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิพระองค์ของสัมมาทิฏฐินั้นนประกอบด้วยหนึ่งเรื่องเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ 2. หาสาเหตุของมันว่ามันทุกข์เรื่องอะไร 3. หาวิธีที่จะแก้มันบ่อยๆ 4. แก้แล้วไม่ใช่แก้ครั้งเดียวแก้แล้วแก้อีกอยู่นะั้นแต่อะไรที่เรามีลมหายใจอยู่แก้ทุกเรื่อยไปนะทั้งกายทั้งใจลักษณะที่เรามาปรับปรุงมาแก้ไขตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ แล้วเมื่อสมาธิถี่มันเกิดแล้วมันก็จะไปฆ่าอะไรฆ่าตัวมิจฉาทิถิฆ่าตัวสักยทิถิออกไปนั่นหมายความว่าเราได้เริ่มต้นการปฏิบัติวิปัสนาแล้วตราบใดเราปฏิบัติวิปัสนาตัวสักยทิฐิของเรายังไม่ลดตัวมานัทิถีอัตราของเราไม่ลดเนี่ยยังไม่ค่อยสู่ถนนของวิปัสนานะดังนั้นเองข้อมูลทั้งหลายที่เรารับมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมีมากพออาจจะมากเกินด้วยซ้ําไปแต่ก็เป็นเรื่องของการตอกย้ํา ในจุดเดิมๆ เ, เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่จิตของเราไม่ไม่หันเหเปลี่ยนแปลงไปในจุดอื่นก็จะทำจุดเดียวให้ชัดนะให้แตกหักกันไปว่าจิตของเราที่มันชอบออกนอกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันทำไมต้องไปบ่อยๆไอการที่เราจะจับให้มันอยู่ปัจจุบันอย่างอย่างเป็นเองอย่างไม่ต้องใช้ความพยายามเนี่ยได้ไหม ก็ได้ด้วยการทําบ่อยๆทําสิ่งนั้นบ่อยๆนะเหมือนกับเราท่องหนังสือหนังสือไหนที่เราเรียนเราต้องการให้มันจดจำํำเราก็ท่องบ่อยๆต่อไปเราไม่ต้องไปนึกให้ยากแล้วพอจะใช้ปั๊บมันก็มาปั๊บเลยพอจะใช้ปั๊บมันก็มาปั๊บเลยนะนั้นเพราะว่าเราทำนั้นสิ่งนั้นบ่อยๆอันนี้เหกินกันพราะเราฝึกฝนความรู้สึกตัวไวม้มากเข้ามากเข้าเมื่อมีอะไรที่มันมากระทบกายปั๊บรู้ทันทีเลยมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจปั๊บรู้ทันที มันจะรู้ของมันเองไม่ต้องเป็นนึกให้ยากเพราะอะไรเพราะเรามีการซักซ้อมตัวรู้สึกตัวอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมมันก็คือความคล่องตัวเหมือนกับเราท่องหนังสือที่ว่ามันไม่ต้องจดจําให้ยากไม่ต้องนึกให้ยากเพราะเพราะมันขึ้นใจเขาเรียกวมันขึ้นใจฉะนั้นแสดงว่าเราล่องท่องหนังสือตรงนั้นเป็นร้อยครั้งพันหนหนมือครันแสนหนแล้วมันถึงเป็นอ่าเป็นตัวเขาเชื่อว่าตัวปารามัดเป็นอัตโนมัติไปเลยนะ ดังนั้นในการปฏิบัติแบบนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องที่หนักหน่วงแต่ก็ต้องรู้ชีวิตของเราไม่ใช่เป็นของเล่นเล่นเราจะมาทําเล่นเล่นมันไม่ได้บางครั้งต้องจริงจังกับชีวิตบ้างแต่ปัจจุบันนี้คนเรามันเสียนิสัยมีแต่เรื่องเล่นๆนะเยอะนะเป็นเรื่องเล่นคนก็ขาดความจริงจังเที่ยวเล่นเล่นกินเล่นเล่นฟังเล่นเล่นแล้วก็เรื่องที่จะเสริมให้เล่นสนุกสนานมีทุกทุกเวลานะ เ ด, เ, งงเดี๋ยวเรื่องงานนั้นเดี๋ยวเรื่องงานนี้เป็นเรื่องงานกินงานเล่นงานสนุกไปแล้วแต่ละวันๆจิตใจของเรามันก็ไม่มีความความจริงจังอะไรพอจะไปศึกษาอะไรเรื่องจริงจังว่าจิตเริ่มเครียดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สั่งสมความจริงจังเอาไว้แต่มีแต่สั่งสมเรื่องเล่นๆนะจะสอนหนังสือเด็กก็หาแต่เรื่องเล่นทั้งวันเหมือนกันใช่ไหเล่นเรื่องนี้แล้วก็ไปเล่นเรื่องนั้น เราจะทํอาอะไรจริงจังก็เด็กจะเครียดเพราะอะไรเพราะเพราะความจริงจังของเราไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้แล้วกลัวความเครียดนะพราะจะเอาจริงเอาจังไม่ได้ก็หาเรื่องเล่นกันทั้งปีทั้งชาติเลยทีนี้แล้วก็ในทีวีก็มีแต่เรื่องเล่นทั้งวันเหมือนกันไอคนในทีวีถ้าหากว่าจะทําเรื่องจริงจังเข้ามาก็กลัวคนดูเครียดมันกลัวขายไม่ออกมันก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าเอาจริงเหมือนกัน ถูกลงมามีเรื่องเล่นตลอดชีวิตเลยนะชีวิตก็เลยหาสาระแก่นสารไม่ได้เพราะมันไม่มีความจริงไม่มีสัจจะในตัวนั้นแต่ว่าเรามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่เล่นเล่นหัวหัวให้ร้องราทําเพลงไปวันวันมันมันมันไม่ได้อย่างที่เราไปออกค่ายเข้าแคมป์กันมันไม่ได้นะต้องหาเรื่องที่ที่มันมันจริงอ่ะซึ่งจริงตรนี้เราอาจจะไม่เรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเครียดนะเป็นจริงที่เข้าใจเป็นความจริงที่เข้าใจ ดังนั้นเองเวลาคนที่เขาไปติดเรื่องเล่นแล้วเนี่ยพาชนมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเขาไม่กล้ามาเขากลัวกลัวอะไรกลัวไม่ได้เล่นนะมาเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องจริงจังแต่ว่าก็ไม่ไม่เคร่งเครียดนะแต่เป็นเรื่องที่เคร่งครัตเคร่งครัดบเ ค, ครเค่งเครียดต่างกันนะแ้เป็นเรื่องที่ลึกซึง้งแต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับ นะเป็นให้ลึกซึ้งดังนั้นบางครั้งชีวิตของเรามันจำเป็นต้องจริงจังตั้งใจจะเอาแต่เรื่องเล่นเข้ามาเรื่องสนุกเข้ามานี่มันมันจะไม่เห็นความจริงเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงเราจะเข้าไปเล่นมันอย่างสนุกสนานนั่นไม่ได้แต่เราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าธรรมปิเติเรามีธรรมปิติได้ธรรมหันษาได้นะ ไม่ใช่ธรรมะที่จะนําไปสู่ความย่อมๆยั่วย่อมหมาเหมาเขาเรียกวธรรมะธรรมาระฆะบางแห่งก็เรียกวรรรา่ธรราธรรมาระฆะธรรมะหัรษาธรรมะปิตินะคือมีความล่าเริงในธรรมได้มีความปิติปลาหมดในธรรมได้ไม่ใช่เราจะเคร่งเครียดเกตึงครึ่งเครีย ด, ลยดตลอดเวลาไม่ใช่แต่ถ้าเราทําถูกทําด้วยความเข้าใจแล้ว เ, เกิดธรรมะปิติเกินธรรมะหันษาได้นะ ดังนั้นในจุดนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทํากันไม่ทราบามันานาฬิกามันเท่าไรห้าโมงหรือหกโมงครึ่งเนะี่ยหกโมงครึ่งเนยก็นึห้ามงครึ่งเลยนะดังนั้นในสิ่งนี้จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้นําไปทําอย่างจริงจังบ้างอย่าไปกลัวความเครียดเกินไปไอ้การบางคนบอกความเครียดมันจะเป็นโรคนะความเครียดมันจะก่อให้เกิดโรคไอ้ความจริงกับความเครียดมันต่างกันใช่ไหม ความจริงกับความเครียดต่างกันววาจริงจังแล้วมันจะเครียดไม่ใช่ความจริงจังมันมันเหมือนกับเราสัมผัสของจริงนะเหมือนกับเราสัมผัสของจริงแต่ความเครียดเนี่ยเราไปจริงจังกับของไม่จริงมันเกิกลายเป็นความเครียดมาเพราะเราสัมผัสสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนเราคิดเรื่องปัญหาเนี่ยปัญหามันยังไม่เกิดเราเอามาคิดมันเกิดความเครียด ฉะนั้นความเครียดมันเกิดจากเราจริงจังกับของที่ไม่จริงเราไปสำคัญของที่ไม่ทเที่ยงว่าเที่ยงของที่ไม่มีตัวว่ามีตัวเนี่ยความเครียดมันจะเกิดแต่ในธรรมะบอกเราว่าอย่างไงบอกว่าอย่าไปจริงจังกับของไม่เที่ยงอย่าไปจริงจังกับของที่มันไม่มีตัวตนแต่ให้จริงจังกับของที่มันเที่ยงจริงจังของที่มันมีตัวตนที่มันสัมผัสได้นะอย่างความรู้สึกตัวเนี่ยมันสัมผัสได้ มันมีเป็นของที่ปรากฏให้เห็นแต่ละเวลาความคิดกับความรู้สึกเนี่ยอันไหนเที่ยงอันไหนไม่เที่ยงเคยนึกไหมความคิดกับความรู้สึกตัวอันไหนเที่ยง น, นไ ห, นนหนไหม่เที่ยงระหว่างความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังอันไหนเกิดมากับเราระหว่างความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยเออ แล้ว เ, เกิดมาเราคิดเลยหรือว่าเราเราเราู้สึกตัวก่อ น, นเรารู้สึกตัวเราถึงร้องไห้ออกมาใช่ไหมรู้สึกอะไรรู้สึกมันเจ็บมันปวดใช่ไหมร้องเกิดมาเราก็ร้องเอาแวเลยเพราะนั่นภาษาอังกฤษที่เชื่อเอาแวนอาแวตรงกับภาษาที่เด็กร้องกับอุแวอุแวเนี่ยเอาแว่แปลว่ารู้สึกตัวใช่ไหม a อ a ว e n e s s ก็มาแปลว่าสติแล้วเกิดมาพร้อมกับสตินะใช่ไหมอุแวเพราะอ w แวเนี่ยซึ่งแปลว่าสติองเยเอาแว่แปลว่ารู้สึกตัวเพราะเกิดมาแล้วก็อุแวอุแวแล้วรู้สึกแล้วอ่า แต่ว่าเกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวฉันขอคิดก anyway ่อนว่าฉันจะเกิดแบบไหนเนี่ยไม่มีฉันคิดดูก่อนว่าฉันจะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นความคิดจึงไม่เที่ยงแต่ความรู้สึกตัวมันเที่ยงมันเกิดมากับเราแล้วมันก็ตายไปกับเรามันปรากฏอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นเราไปจริงจังกับของไม่เที่ยงจริงจังกับของไม่มีตัวจึงเกิดความเครียดแต่ที่เรามาที่นี่เรามาจริงจังกับของที่มันเที่ยงของที่มันมีจริงมันจึงไม่เครียดเพราะเราสัมผัสได้ นะดังนั้นลองพิจารณาศึกษาให้ดีแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตใจล่องลอยแล้วก็อย่าปล่อยให้จิตใจเพลินหลงไปสู่กับอารมณ์ที่เป็นนิวรณ์ให้ปรับตลอดเวลา <c oughs> ให้ปรับอย่างนี้แล้วก็ปรับอย่างนั้นปรับอย่างนี้ปรับอย่างนี้ามารู้สึกเพลินทั้งวันนะปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันมันสัมผัสกับของจริงตลอดเวลาไม่ได้นึกขึ้นมาเมื่อใดถ้ามันนึกมันคิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่ไม่จริงละ เลื่องลอยเข้ามาเรื่องนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตมันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องจริงนะเนี่ยมันปวดก็ปวดให้เราเห็นจริงๆริเมือม่อยก็เมื่อยให้เราเห็นจริงๆทุกข์ก็ทุกข์ให้เราเห็นจริงๆริงนะเราก็มีหน้าที่เรียนรู้สัมผัสปรับป ร, ปรุงแก้ไขในสิ่งไหนที่มันทนได้ยากก็ปรับปรุงแก้ไขออกไปในสิ่งไหนที่มันทนได้ง่ายเราก็าไม่ติดยึดนะก็ทําสัมผัสความไม่ทุกข์อยู่ตลอดเวลานะ เพราะในช่วงเช้าวนันนี้เวลาที่เหลือเราก็จะไป